สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลด็จสังฆปมริสังายสรในหนังสือที่เลาประวัติของท่านพระพัฒยะได้แสดงว่าพระพัฒยะเป็นโอรสของนางกาลิโคธา เป็นราชาแห่งวงสากยะประวัติอื่นนอกจากนี้ไม่ได้แสดงไว้ในชั้นบาหลีนี้มีเรียกว่าราชาก็แต่ท่านพัทยะนี้ส่วนพระเจ้าสุโทธทนะนั้นเรียกแต่เพียงว่าสุโทธทนะสักกะครัร้นมาถึงชัดอัตคาถาจึงได้เรียกพระเจ้าสุโทธทนะว่าราชาเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ชัดว่าตามประวัติที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรแต่ว่า เมื่อท่านพัทธิยะมาบวชแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายในปัรษานั่นเองและมักจะเปล่งอุทานว่าอะโหสังที่แปลว่าเป็นสุขจริงหนอหรือว่าโอเป็นสุขฝ่ายผู้ภิกษุก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าบางทีท่านจะคำนึงถึงความสุขในราชสมบัติแล้วมาเปล่งอุทานดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกท่านมาแล้วถามว่า ที่ท่านเปล่งอุทานว่าอาโหสุขขังอยู่บ่อยๆนั้นหมายความว่าอย่างไรท่านก็ตอบว่าเมื่อท่านเป็นราชาอยู่นั้นต้องคอยเอาใจใส่ป้องกันรักษาทั้งภายในทั้งภายนอกตั้งแต่ภายในพระชนิเวศจนตลอดราชนาเขตถึงจะได้จัดการรักขาอย่างดีที่สุดก็ยังมีความกังวลไม่มีความดุแต่ครั้นได้มาบวชอยู่ดังนี้แม้จะอยู่เพียงผู้เดียวในป่า ก็ไม่รู้สึกว่ามีอันตรายนี้ท่านรู้สึกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งจึงได้เปล่งอุทานดังนั้นต่อมาพระพุทธเจ้าได้ส่งยกย่องท่านให้เป็นเอตะทะทัคะในทางเป็นผู้มีสกุลสูงพระอนุรุธนั้นท่านได้ไปพักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ปาจีนวังสทายวันในรัเตเจติก่อนจะไปท่านได้เรียนกรรมฐานในสานักของพระธรรมเสนาบดีคือ พระสารีบุตรท่านได้ตรึกถึงธรรมะเจ็ดข้อที่เรียกว่ามหาโพลิสาวิตรแปลว่าความตรึกของมหาบุรุษคือข้อหนึ่งธรรมะเป็นบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยไม่ใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามากข้อสองธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้ไม่สันโดษข้อสาธรรมะนี้ เป็นของบุคคลผู้สงบสงัดจากหมู่คณะไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้ครุกครีด้วยหมู่คณะข้อสธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้ปาราบความเพียรไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้เกียจคร้านข้อหธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้มีสติที่ตั้งมั่นไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้มีสติที่หลงลืมข้อหธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ ไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้มีใจไม่เป็นสมาธิข้อเจธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่เป็นของบุคคลสามปัญญาในขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเพศักราวันมิขะไยะไร่กับเมืองสูงสุมาระคีละในแคว้นพัทะได้เสด็จมาทรงแสดงเพิ่มเติมให้อีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่8ว่าธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้ยินดีในธรรม ที่ไม่เนิ่นช้าและได้ตรัสแสดงอนิสง์ของการตรึกอยู่ในวิตก8ดข้อนี้ว่าเมื่อมีความตรึกอยู่เสมอดังนี้และเมื่อนุ่งผมผ้าบางสุกุนก็จะเหมือนกับนุ่งผมผ้าที่ดีวิเศษของเศรษฐีขรหาบดีเมื่ออาศัยอาบัดก็เหมือนอย่างได้บริโภคสิ่งที่มีรสเลิศต่างๆของเศรษฐีขรหาบดีเมื่ออยู่โคนต้นไม้ก็เหมือนอยู่บนเคหะที่งดงามของเศรษฐีขรหาบดี เมื่อฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าก็เหมือนอย่างได้ฉันเพสัตห์ห้คือเนอยใสยเนยข้นน้ำพึ่งน้ำอ้อยที่ดีวิเศษของเศรษฐีเครืหาบดีเพราะว่าเมื่อตรึกอยู่ก็จะทําให้เกิดความสันโดษมากน้อยเมื่อมีความสันโดษมากน้อยอยู่ก็จะมีความยินดีพอใจอยู่ในปัจจัยที่บริโภคเมื่อมีความยินดีพอใจอยู่ในปัจจัยที่บริโภคแม้ปัจจัยนั้นจะเป็นเช่นไรก็ไม่แปล ในพระบาลีนี้ได้เล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับจากไปหาท่านแล้วก็ได้มาตรัสมหาปุริสัวิตกทั้ง8ข้อนี้แก่ภิกษุทั้งหลายและได้ทรงอธิบายโดยย่อว่าข้อว่ามีความปรารถนาน้อยนั้นก็คือแม้จะเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยมีสันโดดเป็นต้นจนถึงยินดีอยู่ในธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าแต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครรู้ว่า ตนเป็นผู้ที่เป็นเช่นนั้นคือไม่ปรารถนาที่จะโอดตนที่จะส่ข้อว่าสันโดษก็คือยินดีอยู่ด้วยปัจจัยทั้งสี่ตามมีตา ม, ม, ตามได้ข้อว่าสงบสงัดจากหมู่คณะก็คือเมื่อมีผู้ใดามาหาก็ไม่พูดให้ยืดยาวแต่ว่าชักพูดให้เรื่องสั้นเข้าที่เรียกว่าพูดด้วยถ้อยคำที่เป็นการสงกรับข้อว่าปรารถนาความเพียร ก็คือบำเพ็ญเพียรในที่สี่สถานดังที่แสดงไว้ในประทานสี่ข้อว่ามีสติตั้งมัน่นก็คือมีสติไม่หลงลืมระลึกถึงการที่ทำคำที่พูดแม้นานได้ข้อว่ามีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิก็คือบำเพ็ญสมาธิที่แน่วแน่อย่างสูงก็ถึงฌานข้อว่ามีปัญญาก็คืออบรมให้เกิดความรู้ความเห็นว่าสิ่งที่เกิดก็มีดับเป็นธรรมดาข้อว่า ยินดีในธรรมที่ไม่เนื่นช้าก็คือยินดีในการที่จะปฏิบัติให้ได้ถึงมรรคผลโดยรวดเร็วไม่ให้เนื่นช้าอยู่ด้วยกิเลสที่เป็นเครื่องทวงต่างๆพระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนําให้พระอนุท t ะจําพรรษาอยู่ที่ปาจีนวังสมิทธคาทายวันท่านได้บําเพ็ญเพียรและก็ได้มรรคผลที่สุดในพรรษานั้นในภายหลังพระาศาสดาก็ได้ทรงตั้งท่านให้เป็นเอตะทะฆะ ในด้านที่เป็นผู้ที่มีทิพย์จักรสุคือจักรสุเป็นทิพย์สุนพระอานนท์ได้ฟังธรรมของท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้สําเร็จโสดาปติผลและต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้ยี่สบปีท่านจึงได้เป็นพุทธปัะทาประจําองค์พระพุทธเจ้าจนปรินิพานเรื่องของท่านจะได้เล่าในตอนหลังพักคุกับกิมพิละนั้น ได้บำเพ็ญเพียรจนสําเร็จถึงผลที่สุดแต่ก็ไม่มีประวัติเล่าไว้เป็นพิเศษส่วนอุบาลีช่างกัะ ร, ระบกนั้นท่านไดเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาทีแรกได้ทุลลาออกไปบําเพ็ญในป่าแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าไปอยู่ในป่าก็จะสําเร็จทุราเพียงอย่างเดียวแต่ว่าถ้าอยู่ในสำนักของพระองค์จะสําเร็จทุราทั้งสองได้แก่วาสทุราหมายถึง วิปัสนาธุระหรือการปฏิบัติสมณธรรมและคันถะธุระการเรียนคัมภีร์ต่อมาท่านได้สำเร็จเป็นพระ อ, อาหารหันในภาษานั้นท่านได้ศึกษามีความรู้แตกฉานในพระวินัยพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องให้เป็นเอตทัทธัคคะในทางพระวินัยที่เรียกว่าวินัยธรส่วนผู้ที่แตกล่าวออกไปนั้นก็คือพระเทวทัตซึ่งมีเล่า ว, ว่า ได้บำเพ็ญเพียรจนได้ฤทธิ์ซึ่งเป็นของปุถุชนในเวลาต่อมาได้เป็นผู้มุ่งลาบสการะและได้ก่อเหตุที่ไม่สงบขึ้นหลายอย่างหลายประการจนถึงได้ทำโลหิตตุปบาทได้ทำสังฆเพศซึ่งจะได้เล่าในเมื่อถึงวาระในระหว่างพรรษาเหล่านี้ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างพระพุทธเจ้าได้พระสาวกที่สําคัญมากองค์แม้ในฝ่ายเครือขัน ก็ได้อุบาสกอุบาสิกาที่เป็นกําลังเกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนาก็มากท่านจะได้เล่าถึงแพทย์หลวงประจําพระองค์พระเจ้าแผ่นดินกรุงราชยฤท์และประจําพระองค์พระพุทธเจ้าด้วยชีวะกากโกมารพัฒแพทย์หลวงผู้นี้มีชื่อว่าชีวะกากโกมารพัฒเป็นชื่อที่ในวงการแพทย์แผนโบราณได้รู้จักและนับถือกันมากในประเทศไทยเป็นเวลาช้านา น, าน ในบาลีจีวรคขันธกะได้มีเรื่องเล่าถึงประบัติของในแพทย์ภูนีไว้ว่าในสมัยพุทธกาลกรุงเวสาลีนครหลวงของรัฐวัชีเจริญใหญ่โตมีประชาชนพลเมืองมากมีเครื่องอุปโภคบริโภคบริบูรณ์มีปราสาทอาคารบ้านเรือนคับคั่งมีสวนมีสะเป็นที่เรื่นรมมากมายทั้งมีนานคณิกา ช, ชื่อว่าอัมพปาลีจึงมีรูปงามประดับพระนครให้งดงาม นางอัมพะปารีนั้นต้อนรับบุรุษด้วยกำหนดหนึ่งราตีต่อห้าสิบกหาปณะในครั้งนั้นได้มีพวกขรหบรีชากรุงราชคฤืดนครหลวงมคตคณะหนึ่งไปกรุงเวสาลีด้วยกิจธุระบางอย่างได้เห็นกรุงเวสาลีเจริญใหญ่โตทั้งสนุกสนานกันอย่างนั้นครั้นกลับมาแล้วจึงได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารราชาถึงเรื่องกรุงเวสาลีตามที่ได้ไปเห็นมา และกราบทูนแนะนำให้ทรงตั้งสตรีรูปงามผู้หนึ่งให้เป็นนางคณิกาสำหรับพระนครราชคริสอย่างนาครเวสาลีพระเจ้าพิมพิสารก็ประทานอนุญาตพวกครหาบดีเหล่านั้นจึงได้เลือกกุมารีรูปงามผู้หนึ่งชื่อว่าสาลวดีตั้งให้เป็นนางคณิกาประจนานครราชคริสและตั้งอัตราบำเริงราตีละหนึ่งรกหาปณะในสานักของนางคณิกานี้ จะให้มีการฟ้อนรำขับร้องเป็นเครื่องบำรุงความเพลิดเพลินต่างๆเรื่องการตั้งนางคณิกาสำหรับประจำเมืองนี้ในเป็นประเพณีของบางรัฐในอินเดียในสมัยนั้นหญิงรูปงามผู้หนึ่งจะต้องถูกเลือกให้เป็นนางคณิกาเป็นสาธารณสำหรับชายทั่วไปเป็นที่นิยมว่าเป็นเครื่องประดับพระนครให้สวยงามอย่างหนึ่งเช่นสวลัสระที่น่ารื่นรมจึงได้เรียกว่านาครโสผณี ที่แปลว่าเป็นหญิงงามแห่งนครในบางรัฐถ้าปรากฏว่ามีหญิงงามที่สุดเป็นที่ปองกันมากแล้วก็จะถูกจัดให้เป็นนครโสภพณีไม่ยอมให้ไปตกแก่ผู้ใดโดยเฉพาะในเวลาต่อมานางสาวดีใต้ตั้งขันขึ้นเห็นว่าหญิงมีคันไม่เป็นที่ชอบใจของมุรุตจึงได้เก็บตัวด้วยสแสดงว่าป่วยไข้ต่อมานางคลอดบุตรเป็นชายจึงให้นางทาสี นําไปทิ้งในที่หยากเยื่อมักถือเป็นธรรมเนียมว่าถ้าคลอดบุตรเป็นหญิงก็จะเลี้ยงไว้และให้สืบอาชีพต่อไปแต่ถ้าเป็นชายก็ไม่เลี้ยงแต่ว่าเป็นบุญของเด็กคนนั้นเพราะได้มีพระราชกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารองค์หนึ่งมีพระนามว่าอับไพได้เสด็จไปสู่ที่เฝ้าพระเจ้าแผ่นดินในเวลาเช้าได้ทรงเห็นฝูงกาบินว้อนอยู่ในที่ซึ่งทารกถูกทิ้งไว้<ๆ>ก็ได้โปรดให้มหาดเล็กไปตรวจ ด, ดูว่ามีอะไร ก็ได้เห็นมีเด็กถูกทิ้งก็ตรัสถามว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่มหาเล็กก็ทูลตอบว่ายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้มีชื่อว่าชีวะกะและได้โปรดให้นําไปวังโปรดให้จัดพี่เลี้ยงนางนมเลี้ยงดูไว้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจึงได้มีชื่อต่อว่าโกมารพัฒหรือชีวะกะโกมารพัฒต่อมาเมื่อชีวะกะโกมารพัฒนั้นเติบโตขึ้นแล้วก็ได้กราบทูลถาม อภัยราชกุมารถึงมารดาบิดาของตนพระราชกุมารก็ตรัสว่าพระองค์ไม่ทรงรู้จักมารดาบิดาของชีวะกะแต่ว่าได้ทรงชุบเลี้ยงชีวะกะไว้เหมือนอย่างบุตรชีวะกะโกมาราพัฒก็ได้พิจารณาถึงฐานะของตนคิดว่าถ้าไม่มีศิลปะจะดำรงชีวิตอยู่ในราชสำนักเป็นการยากจึงคิดไปศึกษาศิลปะวิทยาและก็ได้ตกลงเลือกเอาวิชาแพทย์เพราะเหตุว่า เป็นวิชาที่ประกอบอาชีพไม่เบียดเบียนผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติประกอบด้วยเมตตากรุณาเกื้อกูลแก่ความสุขของมนุษย์จึงได้ไปศึกษาวิชาทางแพทย์ในสำนักแพทย์ผู้ที่สาป่าโมคนหนึ่งในเมืองตักกัสิลาชีวกาเป็นผู้ที่ฉลาดสามารถในการศึกษาเรียนได้มากเรียนได้เร็วทรงจาได้เร็วทรงจาได้ดีไม่หลงลืมในตอนนี้ได้มีพระอัตฉริาจารย์ ได้แต่งแทรกไว้ว่าเท้าสักกะเทวราชได้เข้ามาสิงอาจารย์ช่วยสอนวิชาแพทย์ให้ชีวกะด้วยจนถึงสอนให้สามารถรักษาคนไข้หนดเดียวก็หายได้เมื่อได้ศึกษาอยู่ถึงเจ็ดปีก็คิดว่าเราได้ศึกษามามากถึงเพียงนี้ที่สุดของวิชาก็ไม่ปรากฏเมื่อไหรจะปรากฏสักทีจึงได้เข้าไปถามอาจารย์อาจารย์สั่งให้ชีวกะ ถือจอบออกไปหาต้นไม้ต่างๆในที่ประมาณหนึ่งโยดโดยรอบเมื่อพบต้นไม้ต้นใดที่ไม่ใช่ยาก็ให้ขุดนำเอามาชีวะกะนั้นก็ได้ปฏิบัติตามเที่ยวหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยาคือที่ไม่สามารถนำมาทำยาได้ก็ไม่พบเพราะว่าไปพบแต่ที่สามารถใช้เป็นยาได้ทั้งนั้นจึงได้กลับมาแจ้งให้อาจารย์ทราบอาจารย์จึงได้ประกาศว่าเธอเป็นผู้ศึกษาจบแล้วเท่านี้ก็เพียงพอ เพื่จะเลี้ยงชีวิตของเธอได้จึงได้มอบสเสบียงเดินทางกลับให้เพียงเล็กน้อยและส่งชีว ก, กะให้เดินทางกลับชีว ก, กะได้เดินทางกลับไปยังกรุงราชพฤฒิแต่ว่าได้ผ่านเมืองต่างๆมาโดยลําดับเมื่อผ่านมาถึงเมืองสาเกตก็สิ้นเสบียงเพราะอาจารย์ให้สเสบียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงต้องคิดหาสเสบียงใหม่ที่จะเดินทางต่อไปด้วยการไปขอรับรักษาโรคในครั้งนั้นพริยาเศรษฐีในเมืองสาเกต เป็นโรคปวดทิศะมาเป็นเวลาเจดปีได้มีหมอใหญ่เป็นอันมากมารักษาก็ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้เสียเงินเสียทองไปเป็นอันมากชีวะกกก็เข้าไปขออาสารักษาทีแรกพระยาเศรษฐีก็กล่าวปฏิเสธด้วยหมิ่นว่าเป็นหมอเด็กๆจะเสียทรัพยาชีวะิกะก็ก็กาวรับรองว่าจะไม่เรียกทรัพย์ก่อนเมื่อบำบัดโรคหายแล้วจะให้เท่าไหร่ก็ตามแต่จะปรารถนา ภรยาเศรษฐีจึงยอมให้รักษาชีวะกะได้เข้าไปยังห้องของภรยาเศรษฐีตรวจดูอาการต่างๆแล้วก็สั่งให้นําเนยใสายมาประมาณซองมือหนึ่งบดผสมด้วยเภสั ต, ต่างๆแล้วให้ภริยาเศรษฐีนัดเมื่อภริยาเศรษฐีได้นัดยานั้นก็หายจากโรคโปวดศีรษะซึ่งได้เป็นมาเวลานานจึงได้พร้อมกับเศรษฐีและญาติรวมกันมอบทรัพย์ให้แก่ชีวะกะ 1,600 กะหาปณะนะ พร้อมทั้งทาตและทาสีอีกด้วยชีวการิน้นำทรัพย์เหล่านั้นไปยังกรุงราชคฤุฑได้เข้าเฝ้าทูลถวายแก่อภัยราชกุมารเป็นส่วนสนองพระเดชพระคุณที่ได้ทรงเลี้ยงดูมาพระราชกุมารก็ได้ประทานคืนและโปรดให้ปลูกนิเวศอยู่ภายในวังของพระองค์ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารประชวรเป็นโรคพระประคันธละคือโรคนิสิดวงทวารมีโลหิตออกเปื้อนผ้าสาดก พระเทวีทั้งหลายพากันเยาะเย้ยว่าเทวราชทรงมีระดูจะประสูตรในไมช่ช้าพระราชาทรงละอายก็โปรดให้อภัยราชกุมารหาหมอมาบำบับดพระกุมารก็ส่งหมอชีวกะเข้าไปถวายการรักษาชีวกะก็ถวายการรักษาด้วยการทายาเพียงครั้งเดียวพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงหายโรคแล้วก็โปรดให้นางสนมกำนันเป็นอันมากประดับเครื่องประดับเต็มที่แล้ว ให้เปลื้องเครื่องมาดับออกกองไว้ประธานแก่ชีวกะชีวกะไม่รับแต่ว่ากราบทูลว่าขอแต่ให้พระองค์ทรงละลึกถึงอธิการของตนเท่านั้นพระราชาก็โปรดให้เป็นแพทย์หลวงบำรุงพระองค์และฝ่ายในกับบำรุงพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในครั้งนั้นเศรษฐีกรุงราชคฤิสเองเป็นร่วมในศีรษะมาเจ็ปีมีหมอใ ห, ใหญ่เป็นอันมากมารักษาก็ไม่หาย หมอบอกลาไปเสียเป็นอันมากบางผูกก็พากันบอกว่าอีกห้าวันจะตายบางพวกก็บอกว่าอีกเจ็ดวันก็จะตายนายนิคมราชคริจึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมิสารทูลขอหมอชีวกะเป็นผู้ช่วยบำบัดหมอชีวกะได้ไปยังนิเวศของเศรษฐีตรวจดูอาการของเศรษฐีแล้วถามว่าถ้าบำบัดโรคหายได้จะให้อะไรเศรษฐีก็ตอบว่าจะให้สมบัติทั้งหมด ตนเองจะยอมเป็นทาสถามว่าจะนอนตะแคงขวาซ้ายและนอนหงายท้าละเจ็ดเดือนได้หรือไม่เศรษฐีตอบว่าได้หมอชีวากาดก็จับให้เศรษฐีนอนบนเตียงผูกติดที่เตียงแล้วผ่านังศีรษะเปิดรอยประสานนำปาน ก, กะสิ่งมีชีวิตอินทรีย์เล็กๆออกมาสองตัวกล่าวกันว่าพวกอาจารย์ที่เห็นตัวใหญ่ก็กล่าวว่าอีกหาวันเศรษฐีจัจกตาย ผู้อาจารย์ที่เห็นตูเล็กก็บอกว่าอีเวันเสรษฐีจากตายแล้วได้ปิดรอยประสานเย็บหนังศีษะทายาให้ติดตามดื่มเสรษฐีนอนตะแคงข้างหนึ่งได้หนึ่งสัปดาห์ก็บอกว่าไม่สามารถนอนตะแคงข้างหนึ่งต่อไปได้ชีวกกก็อนุญาตให้เปลี่ยนเป็นนอนตะแคงอีกข้างหนึ่งหนึ่งสัปดาห์นอนหายหนึ่งสัปดาห์รวมเป็น3 ส, สัปดาห์ก็บอกว่าถ้าไม่บอกให้นอนข้างลเัเ7เดือน เศรษฐีก็คงไม่อาจจะนอนแม้เพียงข้างละเจ็ดวันได้ในบัดนี้โรคหายแล้วให้ลุกขึ้นนั่งได้เมื่อเศรษฐีจะมอบสมบัติทั้งปวงให้และมอบตัวเองให้เป็นท่า ต, ตามสัญญาก็ไม่รับขอรับแต่ทรัพย์แสนหนึ่งสำหรับพระราชาแสนหนึ่งสำหรับตนในครั้งนั้นเศรษฐีบุตรชาวเมืองพาราสีเล่นกีฬากายกรรมป่วยเป็นโรคอันตคันทะคือว่าโรคลาไส้บิด หรือว่าโรคลาไส้เป็นปมมีอาการอาหารไม่ย่อยอุจจาระปัสสาวะไม่คล่องมีร่างกายผ่ายผอมลงไปเศรษฐีผู้บิดาจึงนําไปยังกรุงราชครืดเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลขอหมอชีวกกไปช่วยรักษาหมอชีวกกไปถึงตรวจดูอาการต่างๆแล้วให้คนออกไปกั้นม่านให้พัญญาของบุตรเศรษฐียืนข้างหน้าแล้วก็ผ่านหน้าท้องนาไส้ที่บิดออกขี้คลายให้เป็นปกติ แล้วสอดลำไส้เข้าไปเย็บหนังท้องทายาให้ติดกันตามเดิมการบรบัดโรคในครั้งนี้ได้รัพหนึ่ง0มืนหกพันกระหาปณะนะครั้งนั้นพระเจ้าจันทประโ ช, ชดกรุงอุชเชนีประชวนเป็นโรคปัญธุ ป, ปรราชคือโรคผอมเหลืองทรงส่งทูตไปทูลขอหมอชิวกาไปรักษาหมอชิวกาไปถึงแล้วเข้าเฝ้าตรวจพระอาการต่างๆก็กราบทูลถามว่า จะทรงดื่มเนยใสที่เคี่ยวเป็นยาได้หรือไม่พระราชาทรงปฏิเสธเพราะทรงรังเกียจเนยใสรับสั่งให้ใช้สิ่งอื่นนอกจากเนยใสหมอชิวกาคิดว่าโรคอย่างนี้ไม่อาจจะเว้นเนยใสได้จึงเคี่ยวเนยใสกับยาต่างๆให้มีสีกลิ่นรสเหมือนน้ำฝาดคือน้ำยาต้มแก่นไม้เป็นต้นเพื่อลวงให้เสวยและคิดเตรียมการหนีจึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลว่า ธรรมดาว่าหมอจำต้องขุดรากไม้รวบรวมยาบางอย่างฉับพลันจึงขอให้ทรงสั่งว่าหมอชิวกะปรารถนาจะไปก็ขอให้ไปได้ด้วยพาหนะทุกอย่างโดยทวารทุกตวันและทุกเวลาตลอดถึงการกลับเข้ามาพระราชาได้โปรดสั่งตามประสงค์หมอชิวกะได้ถวายยาเข้าในใสให้พระราชาสวยแล้วก็ไปโรงช้างขึ้นช้างพังชื่อว่าพัทธวดี หนีออกจากนครอุชเชนีฝ่ายพระเจ้าจันท้องปรับโทษได้สวยยาเข้าในยใสครั้นยาย่อยทรงเรอก็ทรงทราบว่าได้ถูกหมอหลอกให้ดื่มเนยใสยแล้วก็ส่งริ้วรับสั่งให้จับตัวหมอชีวะกะเมื่อทราบว่าขึ้นช้างพังพัฒวดีหนีไปแล้วก็รับสั่งให้กากระธาตผู้มีฝีเท้าเร็วกว่าช้างพัฒวดีรีตามไป แต่รับสั่งห้ามกากระธาตมิให้รับอะไรของหมอชีวกะมาบริโภคเพราะพวกหมอมีมายา ม, มากกากระธาตตามไปทันหมอชีวกะซึ่งกําลังบริโภคอาหารอยู่ในเขตเมืองโกสัมพีในระหว่างทางก็แจ้งให้หมอชีวกะทราบว่ามีรับสั่งให้กลับหมอชีวก ะ, กะก็กล่าวว่าให้รอก่อนจนกว่าจะบริโภคอาหารเสร็จและชวนกากระธาตให้บริโภคอาหารด้วยเมื่อกากระธาตไม่ยอมบริโภคอาหาร จึงได้แท็กยาด้วยเล็บในผลมะขามป้อมตนเองก็เคี้ยวมะขามป้อมที่ไม่ได้แท็กยาไว้และก็ชวนกกระธาต์เคี้ยวมะขามป้อมกกระธาตเห็นว่าแม้ชีวากะก็ยังเคี้ยวมะขามป้อมได้คงจะไม่เป็นอะไรก็รับเอามะขามป้อมที่ถูกแท็กยาไว้มาเคี้ยวและดื่มน้ําก็ตายในทันทีนั่นเองมีความตกใจถามหมอชีวากะว่านี่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่หมอชีวากะก็ตอบว่า ไม่ต้องกลัวจะหายได้แต่ว่าพระราชาทรงดุร้ายนักจะให้ข้าตนเสียจึงจะไม่กลับละแล้วก็มอบช้างพัทวดีคืนให้แก่กากระธาตให้นำกลับกรุงอุชเชนีพระเจ้าจันตปชชนัดโชคทรงหายโรคแล้วทรงระลึกถึงอธิการของหมอชีวกะโปรส่งผ้าศิว ย, ยกะคือผ้านึ้อพิเศษทอที่เมืองสีพีคู่หนึ่งไปประทานหมอชีวกะคิดว่าผ้าคู่นี้ พระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าพิมิสารเท่านั้นสมควรจะทรงใช้โปรดติดตามรรบฟัง45รรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกวรมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป